รับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะวิทยุไทย PBS กับเรื่องชีวิตโยคยีวันนี้มาถึงตอนที่7แล้วนะคะจากหนังสืออัตชีวประวัติของโยคยีที่เขียนโดยท่านประมาะหังษายโยคานันทะซึ่งเป็นคุรุทางด้านโยคะหรือว่าเป็นโยคีย ที่มีชื่อเสียงของอินเดียนะคะแล้วก็ไปโด่งดังที่สหรัฐอเมริกาท่านเขียนอัตตาชีวประวัติของท่านออกเผยแพร่ให้เห็นเส้นทางวิถีของการเป็นนักบวชในศาสนาฮินดูผู้สแสวงหาสัจธรรมหรือความจริงอันสูงสุดในทศนิของชาวฮินดูหนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหนังสือจิตวิ ญ, ญญาณที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในศตวรรษที่เดียวนะคะใครที่ชอบ เ, เรื่องเรื่องราวในแนวแสวงหาในแนวจิตวิญญาณในแนวอิทธิฤทธิปาฏิหาริยจากการฝึกจิตเล่ม น, นี้ตอบโจทย์ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ทำให้เราได้รู้โลกของโยคีโลกของคนที่ไม่สนใจจะใช้ชีวิตทางโลกแต่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นนักบวชเหมือนอย่างท่านประมะาังสาโยคานันทะนะคะที่ท่านมีความคิดอยากจะไปฮิมาลัยตั้งแต่เด็กๆอยากจะบวช อยากจะปฏิบัติสมาธิไม่อยากใช้ชีวิตทางโลกนอกเนือจากบอกเล่าชีวิตของท่านเองแล้วนะคะในหนังสือเล่มนี้ก็ได้พูดถึงบุคคลที่น่าสนใจหลายท่านทังโยคีที่มีความสามารถในด้านต่างๆและก็มีเล่าถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของอินเดียชาคธิสจันทรโบส เรื่องนี้เล่าเอาไว้ในบทที่8นะคะเรื่องราวอาจจะเต็มไปด้วยสับแสงทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์แต่ก็น่าสนใจถ้าใครที่อยากรู้ว่านักวิทยาศาสตร์ของอินเดียเนี่ยมีความยิ่งใหญ่อย่างไรเพราะว่าอินเดียนั้นใช่ว่าจะมีบทบาทสําคัญเฉพาะในเรื่องของปรัชญาในเรื่องของศาสนา ในเรื่องการพัฒนาทางด้านฟิสิกส์นะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับเข้าเลยละคะ่ะอินเดียเก่งเก่งวิทยาศาสตร์แล้วก็เก่งทางด้านฟิสิกส์นะคะพอสมควรเลยทีเดียวล่ะเหมือนอย่างเรื่องราวของอาจารย์อ่าชาคทิสจันทระหรือว่าจันทรนโบสเนี่ยนะคะเรื่องนี้ได้เล่าถึงนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่ง ชื่อว่าชคคิสโดยบอกว่าอาจารย์ชคคิสเป็นคนแรกที่คิดประดิษฐ์เครื่องรับสัญญาณวิทยุแบบไร้สายกับอุปกรณ์วัดค่าการหักเหของคลื่นไฟฟ้าค่ะแต่ท่านไม่ได้นำประดิษฐกรรมของตนไปใช้ในการหาเงินหาทองท่านเบนความสนใจจากโลกของสิ่งไม่มีชีวิตมาสู่โลกของสิ่งมีชีวิตท่านค้นพบความรู้ใหม่ๆ่ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระของพืชซึ่งถือเป็นการค้นพบขั้นปฏิวัติของวงการแล้วก็ยังก้าวไปไกลกว่าผลงานอันยอดเยี่ยมเมื่อสมัยที่ท่านเป็นนักฟิสิกส์อีกด้วยลองมาติดตามเรื่องที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของอินเดียนะคะจากการเล่าของท่านปรมหังสาโยคานันทะ ซึ่งท่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านในแรงบันดาลใจที่มีต่อชีวิตวัยเด็กของท่านนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจบ้างเชิญติดตามฟังได้เลยกับชีวิตโยคีและนี่เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญนะคะที่มีอิทธิพลต่อโยคีโยคีปรมาหังสายโยคานันท h ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ และนี่ก็คือชีวิตโยคีตอนที่7ค่ะ วันหนึ่งมูกุลทะไปเยี่ยมอาจารย์ชากติสที่บ้านของท่านซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของมุกุลทะนะคะนักพึษศาสตร์ท่านนี้อยู่ในวัยห้าสิบเศษค่ะได้ให้การต้อนรับมุกุลทะเป็นอย่างดีท่านยังดูดีแล้วก็แข็งแรงอยู่มาก ผมดกหนาหน้าผากกว้างมีแววตาลุ่มลึกอย่างคนช่างฝันภูจามีจังหวะจะโคนชัดถ้อยชัดคําตามวิสัยของคนที่ทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์มาช่วชีวิตเมื่อเจอกันอาจารย์ชคธิสก็บอกกับมุกุลทะว่าครูเพิ่งกลับจากการไปร่วมประชุมสมาคมนักวิทยาศาสตร์ของโลกตะวันตก พวกเขาสนใจเครื่องมือที่ครูประดิษฐ์คิดค้นได้เป็นอย่างมากอุปกรณ์นี้ค่อนข้างซับซอ้อนแต่สามารถแสดงให้เห็นถึงเอกภาพอันแบ่งแยกไปได้แห่งสรรพชีวิตเรียกว่าเครื่อง Boss บ c h r i s t o g r a p h มันมีกำลังขยายมหาศาลถึง10บล้านเท่ากล้องไมโครสโคปที่มีกำลังขยายแค่ไม่กี่พันเท่ายังนาแรงกระตุ้นสาคัญมาสู่วงการชีววิทยาของเราได้ดังนั้น เครื่องเคสโตรกราฟของครูย่อมช่วยเปิดทางไปสู่ความรู้ใหม่ๆอีกนับไม่ถ้วนเช่นกันอาจารย์มีส่วนสำคัญมากเลยนะครับในการใช้วิทยาศาสตร์อันซึ่งเป็นสากลดึงโลกตะวันออกกับตะวันตกมาบรรจบเข้าด้วยกันครูเรียนจบมาจากเคมบริดจ์สิ่งที่น่าชื่นชมของโลกตะวันตกคือวิธีการที่พวกเขานาเอาทฤษฎีทั้งหมด มาพิสูจน์ผ่านการทดลองอย่างละเอียดรอบครอบจนได้ผลยืนยันเป็นที่แน่นอนกระบวนการด้านการทดลองดังกล่าวเข้ากันได้ดีกับพรสวรรค์ด้านการย้อนคิดพิจารณาไตรตรองที่ครูได้รับเป็นมรดกตกทอดมาจากโลกตะวันออกของเราเมื่อ น, นำมาใช้ควบคู่กันครูจรึงสามารถแยกแยะสิ่งซึ่งเคยเป็นความเงียบในอาณาจักรแห่งธรรมชาติออกมาได้ทั้งทั้งที่ในอดีตการอันเนิ่นนาน มันไม่สามารถสื่อความหมายใดๆถึงเราได้เลยแผนภาพแสดงผลจากเครื่องครสโกกราฟของครูพิสูจน์ให้เห็นชัดว่าพืชมีระบบประสาทที่ไว้ต่อการรับรู้และมีการแสดงออกซึ่งอารมณ์ที่หลากหลายไม่ต่างไปจากสัตว์ทั้งรักชังเป็นสุขวาดกลัวยินดีเจ็บปวดตื่นเต้นมึนงง และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเราอื่นๆอีกนับไม่ถว้วนมูกุญทาก็บอกว่าก่อนการค้นพบของอาจารย์จังหวะโลดเต้นของชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเป็นเพียงแค่ภาพในจินตนาการในงานวรรณกรรมเท่านั้นสมัยก่อนผมเคยรู้จักนักบวชท่านหนึ่งไม่ยอมเด็ดดอกไม้เลยสักครั้ง ท่านบอกว่าเราควรจะปล้นความภาคภูมิใจในความงามจากต้นกุหลาบหรืออย่างไรเราควรยามศักดิ์ศรีของมันด้วยการพรากดอกจากต้นอย่างป่าเถื่อนหยาบคายกระนั้นหรือการค้นพบของอาจารย์ช่วยรองรับเมตตาธรรมในคําพูดของนักบวชท่านนั้นได้ดีเหลือเกินนะครับอาจารย์ชคกทิสก็บอกว่ากวีนั้นใกล้ชิดกับสัจธรรม ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ยังเงอะ ง, งะงุ่มง่ามอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้วันไหนว่างๆก็แวะมาที่แล็บของครูสิจะได้เห็นข้อพิสูจน์อันแจ่มชัดจากเครื่องครสโกกราฟกับตามมกุลท่าตอบรับคำเชิญด้วยความยินดีก่อนลาจากมาภายหลังเขาได้ข่าวว่าท่านลาออกจากเพรส n ด c y College แล้วก็มีแผนจะตั้งศูนย์วิจัยขึ้นในกาลกาตาเมื่อสถาบานาัน Bose Institute ทำพิธีเปิดมุกุลทะได้ไปร่วมงานพร้อมกับผู้คนอีกหลายร้อยนะคะที่พากันเดินชมสถานที่อย่างสน อ, อกสนใจ สุนทรพจน์ของอาจารย์ชคัคติในวันเปิดนี้ก็เป็นถ้อยคำที่น่าสนใจค่ะวันนี้ผมขออุทิศสถาบันแห่งนี้ให้เป็นทั้งห้องทดลองและเป็นเทวลาลไปพร้อมกันในขณะดำเนินงานวิจัยคน้นคว้าผมถูกชักนำมายังเส้นแบ่งพรมมแดน ระหว่างฟิสิกส์กับสรีระศาสตร์โดยไม่รู้ตัวและผมก็ต้องประหลาดใจที่พบว่าเส้นแบ่งนั้นหายไปแล้วเกิดจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกของสิ่งมีชีวิตกับโลกของสิ่งไม่มีชีวิตขึ้นมาแทนที่อันินซีสารนั้นเห็นว่ามีได้อยู่อย่างนิ่งเฉยเมื่อตกอยู่ภายใต้การกระทำที่มีพลังกดดันมากมายคลื่นอารมณ์อย่างฉับพลันทันทีจะปรากฏให้เห็น ปฏิกิริยาแห่งจักรวาลดูราวกับจะกำหนดให้โลหะพืชและสัตว์ตกอยู่ภายใต้กฎเดียวกันทั้งหมดล้วนแสดงออกสึ่งความอ่อนล้าและความเครียดมีศักยภาพที่จะฟื้นตัวและพัฒนาตนเองขึ้นโดยลำดับและเมื่อตายไปก็สูญเสียการตอบสนองทั้งมวลไปเป็นการถาวรเหมือนๆกันผมรู้สึกทึ่ง กับความเหมือนกันที่น่าพิศวงนี้ยิ่งนักและด้วยความหวังอันเปี่ยมลน้นผมจึงได้นำผลงานของตนไปถแถลงต่อทาง Royal Society เป็นผลงานที่มีการค้นคว้าวิจัยรองรับแต่พวกนักสรีรสาสทร์ที่มาร่วมฟังกรับบอกให้ผมมุ่งวิจัยเฉพาะงานฟิสิกส์ซึ่งมีความสำเร็จรออยู่เบื้องหน้าเป็นที่แน่นอนอยู่แล้ว แทนการเข้าไปยุ่มย่ามในสายงานของพวกเขาเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าผมได้ล่วงล้ำเข้าไปในอนาณาจักรของระบบชั้นวรรณะที่ตนเองไม่คุ้นเคยโดยไม่ตั้งใจแล้วก็ไปทำผิดธรรมเนียรมมารยาทของพวกเขาเข้าอย่างจังซะด้วยนอกจากนี้ยังมีอคติทางศาสนาที่แฝงเร้นอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยเช่นกันอคตินี้ทาให้เราสับสนมองเห็นอวิชชาเป็นศรัทธาไปโดยใช่ที่ มนุษย์เปล่ามักหลงลืมไปว่าพระผู้ทรงสรร์สร้างความลี้ลับแห่งการสร้างสรรค์ที่วิวัฒนาขึ้นนี้ยังได้ทรงปลูกฝังความปรารถนาที่จะหาคําตอบและความต้องการที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆเอาไว้ในตัวเราด้วยตลอดหลายปีที่ผ่านมามีผู้คนมากหลายที่เข้าใจผมผิดทําให้ผมตระหนักว่าชีวิตของผู้อุทิศตนให้กับวิทยาศาสตร์ ย่อมต้องประสบกับอุปสรรคนานๆไม่จบไม่สิน้นแล้วก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้มีแต่ตัวเขาเท่านั้นที่จะกำหนดบทบาทชีวิตของตนเอาไว้ในฐานะของผู้ให้ที่แท้จริงได้โดยไม่หวั่นไหวต่อผลได้ผลเสียความสำเร็จหรือความล้มเหลวใดๆสุดท้ายองค์กรวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกต่างก็ยอมรับทฤษฎีและผลงานของผมเช่นเดียวกับที่ยอมรับว่า อินเดียมีคุณูปการอันสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์สติปัญญาของอินเดียจะยอมพอใจอยู่กับของเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งที่ถูกตีวงจำกัดเอาไว้กระนั้นหรือด้วยขนบประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาและพลังในการฟื้นคืนสู่ความกระปรี้กระเปร่าอีกครั้งดินแดนแห่งนี้ได้ปรับเปลี่ยนตนเองไปครั้งแล้วครั้งเล่าชาวอินเดียเรา เธอยืนหยัดขึ้นมาใหม่ได้เสมอเราพร้อมที่จะละทิ้งผลประโยชน์เฉพาะหน้าไปสแสวงหาสัจธรรมสูงสุดในชีวิตมิใช่โดยการวางเฉยหรือว่าหันหลังให้กับโลกแต่ด้วยการดิ้นรนค้นคว้าอย่างกระตือรือรน้นคนอ่อนแอผู้ไม่ยอมเผชิญกับปัญหาย่อมไม่อาจจะหวังผลอันใดและไม่มีสิ่งใดเหลือให้เขาสละละเลิกได้มีแต่คนที่มาณนะบากบัน่น จนได้รับชัยชนะมาเท่านั้นที่จะสร้างเสริมคุณค่าให้กับโลกได้โดยการแบ่งปันดอกผลจากประสบการณ์แห่งความสำเร็จนั้นอาจารย์ชัคทิตย์บอกว่างานวิจัยที่ทางสถาบันได้นำเนินการศึกษาค้นคว้าไปแล้วในเรื่องว่าด้วยปฏิกิริยาของสสาร และข้อเท็จจริงอันเหนือความคาดหมายที่พบอยู่ในชีวิตของพืชได้ขยายขอบเขตในการศึกษาค้นคว้าออกไปอย่างกว้างไกลทั้งในศาสตร์ด้านฟิสิกส์สรีรวิทยาการแพทย์เกษตรกรรมแม้กระทั่งจิตวิทยาแต่ความสำเร็จในระดับสูงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ท้าไรซึ่งความถูกต้องแม่นยาชนิดที่ต้องเข้มงวดกันในทุกขั้นตอนและนี่เองจึงเป็นที่มาของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความละเอียดสูงนาน า, นานชนิดของอาจารย์ชัคทิตซึ่งในวันเปิดท่านก็ได้นำมาจัดแสดงให้ชมท่านบอกว่าสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้บ่งบอกถึงความพยายามที่จะเจาะทะลุภาพลวงตาจากภายนอกเข้าไปสู่ความจริง ที่เรายังไม่เคยได้รู้ได้เห็นมาก่อนและท่านก็บอกว่าห้องทดลองที่แท้จริงคือจิตซึ่งมีกฎแห่งสัจธรรมรอคอยอยู่เบื้องหลังม า, ายาทั้งปวงคืออินเดียนี่ถึงแม้ว่าจะเจริญมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์แต่เขาก็ไม่ลืมไม่ลืมในมิติของจิตใจของจิตวิญญาณ อาจารย์ชคทิต์บอกว่าการบรรยายของเขาไม่ใช่แค่การนำเอาความรู้ของคนอื่นมาพูดซ้ำแต่เป็นการค้นพบใหม่ๆที่จะประกาศและก็สาธิตให้ทุกคนได้ชมเป็นครั้งแรกท่านบอกว่าผลงานทางวิทยาศาสตร์ของอินเดียจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลกผ่านทางสารนิพนธ์ของทางสถาบันอย่างสม่าเสมอโดยไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ท่านบอกว่าแก่นแท้แห่งวัฒนธรรมอินเดียปลูกฝังไม่ให้ทำลายคุณค่าอันศักดิ์สิทธิ์ของวิชาความรู้จากการใช้ความรู้นั้นหาประโยชน์ใส่ตัวแต่เพียงถ่ายเดียวผมยังหวังต่อไปอีกว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ในสถาบันแห่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสงค์จะมาทำงานค้นคว้าวิจัยจากทุกประเทศทั่วโลกผมจะพยายามสืบสารประเพณีอันเก่าแก่ของชาติเราต่อไป ให้เป็นเหมือนกับเมื่อ 2,500 ปีก่อนสมัยที่อินเดียได้ต้อนรับนักปราชจากทั่วโลกให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเก่าแก่อย่างละนารันธาและตั ก, กาศิลาถึงแม้วิทยาศาสตร์จะเป็นาศาสตร์สากลไม่ใช่าศาสตร์ที่จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นของตะวันตกหรือตะวันออกเท่านั้นกระนั้นอินเดียก็มีคุณสมบัติที่เหมาะจะสร้างคุณูปการให้กับแวดวงวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษ จินตนาการอันเบิงโรดของอินเดียสามารถกรันกรองเอาระบบระเบียบใหม่ออกมาจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่มากมายและขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัดแต่เราก็มีสมาธิจิตคอยกำกับอยู่เสมอการมีสมาธิกำกับอยู่เช่นนี้เอื้อให้เรามีอำนาจควบคุมจิตให้จดจ่ออยู่กับการติดตามค้นหาความจริงด้วยขันติอันยิ่งยวด หลังวันทําพิธีเปิดผ่านพ้นไปมุกุลทะได้ไปเยือนศูนย์วิจัยแห่งนี้อีกครั้งอาจารย์ชคทิศซึ่งเป็นนักพฤกศรรษศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่บอกว่าพืชมีความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับมนุษย์และสัตว์ท่านได้พามุกุลทะไปยังห้องทดลองที่เงียบสงบของท่านครูจะนำเครื่องเครสโกกราฟไปเชื่อมเข้ากับเฟิร์นต้นนี้ แรงขยายของมันมีมากมายมหาศาลถ้านำไปใช้กับหอยทากด้วยกำลังขยายเท่ากันละก็เจ้าตัวจ่อยจะกลายเป็นเหมือนขบวนรถ ด, ด่วนเลยทีเดียวโดวยความอยากรู้อยากเห็นเข้าไปเจ้าจ้องหน้าจอแสดงภาพเงาต้นเฟิร์นที่ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นตาไม่กระพริบเวลานี้สัญญาณแห่งชีวิต อันบางเบาได้ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนข้าพเจ้าเห็นเฟิร์นต้นนี้ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างเชื่องช้ากับตาตนเองคร้นอาจารย์ใช้แท่งโลหะเล็กๆแตะที่ยอดต้นเฟิร์นภาพวิวัฒนาการอันไร้เสียงก็สะดุดหยุดลงทันทีแต่เมื่อดึงแท่งโ ล, งโลหะออกท่วงทํานองของวิวัฒนาการอันน่าทึ่งก็หวนคืนมาอีกครั้ง เธอคงเห็นแล้วนะว่าการรบกวนแม้เพียงน้อยนิดจากภายนอกก็ส่งผลต่อเนื้อเยื่ออันละเอียดอ่อนได้อย่างรุนแรงดูนี่นะคราวนี้ครูจะหยดคอรโรฟอร์มแล้วค่อยให้ยาแก้ทีหลังผลของยาสลบทําให้การเจริญเติบโตทั้งหมดหยุดลงในขณะที่ยาแก้ช่วยให้มันกลับฟื้นคืนมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิม ทวงท่าของวิวัฒนาการที่ปรากฏให้เห็นบนจอภาพตรึงความสนใจของข้าพเจ้าได้ยิ่งกว่าภาพยนตร์ใดๆ <I am. S 1> อาจารย์ชาคธิสเอาปลายมีดคมๆทิ่มใส่บางส่วนของต้นเฟิร์นปรากฏว่าต้นเฟิร์นนั้นก็สั่นไหวและหดเกรงแสดงออกชัดถึงความเจ็บปวดที่มันได้รับ และเมื่ออาจารย์เปลี่ยนมาใช้คมมีดกรีดลงบนก้านใบเงาภาพบนจอก็สั่นเทิมอย่างรุนแรงก่อนแน่นิ่งไปเมื่อความตายได้เข้าครอบงำครั้งแรกที่ครูทดลองใช้คอรรฟอร์มกับต้นไม้ใหญ่ครูย้ายมันไปปลูกไว้อีกที่หนึ่งได้เป็นผลสำเร็จปกติแล้วต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นถ้าถูกขุดขึ้นไปปลูกยังที่ใหม่ ก็มักจะอยู่ได้ไม่นานภาพกราฟที่ได้จากเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพพิสูจน์แล้วว่าต้นไม้ก็มีระบบการไหลเวียนของของเหลวเช่นกันการไหลเวียนของอยางไม้ก็เหมือนกับระบบความดันโลหิตในร่างกายของสัตว์การสูบฉีดยางไม้ขึ้นไปตามกิ่งก้านสูงๆนั้นไม่สามารถอธิบายได้อย่างง่ายๆด้วยหลักกลไกพื้นพื้น ที่ล้ำหน้าอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องของแรงที่ทำให้ของเลวไหลขึ้นไปตามท่อแคบๆ แ, แต่เครื่องเครสโกกราฟทำให้ปรากฏการณ์ดังกล่าวเผยโฉมออกมาในลักษณะการเคลื่อนไหวของเซลล์ที่มีชีวิตท่อสิ่งทอดยาวจากส่วนยอดลงมาจรดโคนต้นจะหดและคลายตัวเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่องทำหน้าที่เหมือนกับเป็นหัวใจจริงๆ ยิ่งมองลึกลงไปมากเท่าไรหลักฐานก็ยิ่งชี้ชัดว่าสรรพสิ่งในธรรมชาติอันหลากหลายนี้มีรูปแบบที่เป็นหนึ่งเดียวกันงงเดี๋ยวครูจะทดลองกับแผ่นดีบุกให้ดูพลังชีวิตในโลหะจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าสองทางไม่ทางลบก็ทางบวกเส้นกราฟจะบันทึกผลตามปฏิกิริยาที่มีต่างกันไป ข้าพเจ้าเฝ้าดูเส้นกราฟแสดงคลื่นโครงสร้างอะตอมในรูปแบบต่างๆด้วยความสนใจ right, เมื่ออาจารย์หยดคอา ร, ร์บอนลงไปที่แผ่นดีบุก <All right. S 1> เส้นกราฟแสดงความสั่นสะเทือนก็หยุดนิ่ง <All right. S 1> และกลับมาทํางานอีกครั้ง <All right. S 1> เมื่อจอแผ่นโลหะนั้น <All right. S 1> ค่อยๆฟื้นคืนสู่สภาวะปกติอีกครั้ง <All right. S 1> จากนั้นอาจารย์ก็หยดสารเคมีที่เป็นพิษราดลงไปเ <All right. S 1> ส้นบันทึกเ <All right. S 1> ส้นกราฟ แสดงผลการตายออกมาในจังหวะเดียวกับอาการสันไหวที่หยุดลงของแผ่นดีบุกท่านจึงสรุปให้ฟังว่าเดี๋ยวกลับมาติดตามการอธิบายของอาจารย์ชคทิสกันต่อช่วงหน้าค่ะ กลับมาฟังกันต่อนะคะสำหรับชีวิตโยคีตอนที่7ค่ะช่วงที่2หลังจากที่อาจารย์ชาคิิสได้หยดสารเคมีที่เป็นพิษราดลงไปเข็มบันทึกเส้นกราฟแสดงผลการตายออกมาในจังหวะเดียวกับอาการสั่นไหวที่หยุดลงของแผ่นดีบุก ท่านสรุปให้ฟังว่าเครื่องมือโบสที่ครูคิดค้นขึ้นพิสูจน์ได้ว่าโลหะต่างๆอย่างเหล็กที่ใช้ทำกันไกลหรือว่าเครื่องจักรนั้นเมื่อใช้ไปนานๆก็จะเกิดอาการอ่อนล้าแล้วถ้าได้พักสักระยะมันก็จะกลับมามีประสิทธิภาพดังเดิมสัญญาณชีพในโลหะจะได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงหรือแม้กระทั่งยุติลงโดยสิ้นเชิงถ้าถูกช็อตด้วยไฟฟ้า หรือเจอเข้ากับแรงดันอันหนักหน่วงข้าพเจ้ากวาดตามองสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่วางอยู่เต็มห้องพวกมันเป็นหลักฐานยืนยันถึงมันสมองอันหลักแหลมและไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยของนักประดิษฐ์ท่านนี้ได้ดียิ่งกว่าอะไรทั้งหมดน่าเสียดายจริงๆนะครับถ้าไรนาะขนาดใหญ่ในภาคการเกษตร นำสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดของอาจารย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็น่าจะพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้เร็วกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ยากอะไรไม่ใช่หรือครับถ้าจะเอาเครื่องมือพวกนี้ไปใช้ในการทดลองสั้นๆเพื่อหาข้อสรุปว่าปุ๋ยแต่ละชนิดส่งผลกับการเจริญเติบโตของพืชอย่างไรบ้างเธอพูดถูกทีเดียวผู้ที่จะนำสิ่งประดิษฐ์ของครูไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างก็คงจะต้องเป็นคนรุ่นหลังนั่นหละ ดอก้นจากการทำงานมีนักวิทยาศาสตร์น้อยคนนักที่จะได้เก็บเกี่ยวในตอนที่ยังคงมีชีวิตอยู่จะได้ก็แต่ความสุขจากการคิดค้นสิ่งต่างๆเท่านั้นมูกุนทะกราบขอบคุณท่านนักปราดผู้มุ่งมั่นทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยด้วยความซาบซึ้งขณะที่ลาจากมาเขาก็อดคิดไม่ได้ว่า อัจฉริยภาพอันมากล้นของอาจารย์ชคติสตจะมีวันหมดสิ้นไปบ้างหรือไม่หนอแต่ศักยภาพนี้ก็ไม่เคยลดน้อยถอยลงเลยแม้เวลาจะล่วงเลยมาอีกหลายปีท่านอาจารย์ชคติสตไม่เพียงประดิษฐ์เครื่องบันทึกการเต้นของหัวใจ Resonance ์คอดิโอกราฟอันซับซ้อนขึ้นมาได้แต่ท่านยังนำพันไม้นาน า, นาชนิดของอินเดีย มาศึกษาวิจัยอย่างครอบคลุมกว้างขวางจนค้นพบสรรพคุณทางยาที่คาดไม่ถึงอีกนับไม่ถ้วนเครื่งองบันทึกการเต้นของหัวใจนี้สร้างขึ้นให้มีความถูกต้องแม่นยำอย่างที่สุดขณะที่เศษ1นึ่ส่วนรวินาทีก็ยังบันทึกออกมาบนกราฟสามารถตรวจจับได้แม้แต่สัญญาณชีพที่บางเบาที่สุดในโครงสร้างของพืชสัตว์และมนุษย์ นักพฤกษศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ได้คาดการเอาไว้ว่าเครื่องบันทึกการเต้นของหัวใจที่ท่านประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปสู่การนำพืชมาผ่าศึกษาทางกายวิภาคแทนสัตว์โดยท่านบอกว่าการศึกษาผลกระทบจากการให้ยาในพืชและสัตว์ที่ดำเนินไปพร้อมๆกันให้ผลออกมาเหมือนกันอย่างน่าอัศจรรย์และทุกสิ่งในตัวมนุษย์ล้วนมีสัญญาณบ่งบอกอยู่แล้วในพืช การทำการทดลองกับพืชจะช่วยลดความทุกข์ทรมานในมนุษย์และสัตว์ลงได้และหลายปีต่อมาผลการพิจัยที่อาจารย์ชัคอาทิสติปุกเบิกเอาไว้ก็ได้รับการพิสูน์ยืนยันจากนักวิทยาศาสต ร, ร์ท่านอื่นๆโดยมีงานวิจัยในปี1938ที่มหาวิทยาลายัยโคลอมเบียปรากฏเป็นข่าวในนังสือพิมพ์ The New York Times ดังนี้เราได้ข้อยุติ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่าขณะที่เซลประสาททำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างสมองกับอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายจะเกิดคลื่นไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กมากแต่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าที่มีความละเอียดสูงกับทั้งยังขยายได้หลายล้านเท่าด้วยเครื่องขยายความถี่คลื่นอันทันสมัยปัจจุบันยังไม่พบวิธีใดที่ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ในการศึกษาการเดินทางของคลื่นไฟฟ้าผ่านเส้นใยประสาทในตัวมนุษย์หรือสัตว์เพราะคลื่นไฟฟ้าเหล่านี้เดินทางด้วยความเร็วสูงอย่างยิ่งดร K.S. เโคและดร H.J. c u r เคอร์ติสรายงานถึงการค้นพบว่านิเทลลาซึ่งเป็นพืชน้ำจืดแบบที่มีเซลล์ยาวเซลล์เดียวอย่างที่นิยมใส่ในตู้ปลาทองนั้นมีลักษณะเหมือนพวกเส้นใยประสาทเซลล์เดียวราวกับพิมพ์เดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นยังพบอีกว่าเมื่อถูกกระตุ้นเส้นใยของนิเทลลาจะส่งคลื่นไฟฟ้าออกมาเหมือนกับเส้นใยประสาทของมนุษย์และสัตว์ทุกประการจะต่างกันก็แต่ความเร็วเท่านั้นคลื่นไฟฟ้าในเซลล์ประสาทของพืชจะเดินทางช้ากว่าในสัตว์มากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโคลอมเบียจึงนําการค้นพบครั้งนี้มาปรับใช้ในการถ่ายภาพการเดินทางของคลื่นไฟฟ้าในระบบประสาทแบบสโลโมชั่น ด้วยเหตุนี้จึงอาจเป็นไปได้ที่ต้นนิเทลลาจะเป็นเหมือนหลักซิลาโรเซตตาที่จะไขไปสู่ความลับที่ถูกปกปิดซ่อนเร้นมาช้านานเป็นความลับณนะเส้นแบ่งระหว่างโลกแห่งวัตถุและจิตที่อยู่ใกล้กันแค่เอื้อมนี่คือข่าวในหนังสือพิมพ์ The New York Times นะคะ จากนั้นในบทที่9ค่ะเรื่องราวก็ได้กล่าวถึงโยคยีอีกท่านหนึ่งที่ชื่อว่าท่านมหัสยะเข้าพเจ้าก้าวเข้าไปในห้องอย่างเงียบเชียบและออกจะยำเกรงอยู่มากรูปลักษณ์อันงามสง่าดังเทพพยายดาของท่านอาจารย์มหัสยะทำเอาเข้าพเจ้า ตาพระพรายหนวดคราวราวไหมสีเงินยวงกับดวงตาโตเป็นประกายทำให้ท่านดูราวกับเป็นองค์อวตารแห่งความบริสุทธิ์้างที่เชิดสูงและมือที่ซ้อนทับกันบอกให้ข้าพเจ้ารู้ว่าการมาเยือนครั้งแรกของข้าพเจ้าเป็นการเข้ามาขัดจังหวะการปฏิบัติสมาธิของท่านท่านองค์น้อยเชิญนั่งลงก่อน ฉันกำลังสนทนากับพระโลกกมามตาอยู่คำทักทายอันเรียบง่ายกระทบใจข้าพเจ้าอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความทุกข์จากการสูญเสียแม่ไปก็สาหัสสากันเหลือจะทานทนอยู่แล้วเมื่อคิดขึ้นมาว่าตอนนี้ยังต้องมาพลากจากพระโลกกมามตาอีกจิตวิญญาณของข้าพเจ้า ก็ปวดร้าวรอนรานจนสุดที่จะสันท้อยวาจาใดมาเปรียบเทียบได้จริงได้แต่ฟุบหน้าลงร่ำไห้กับพื้นห้องท่านองค์น้อยอย่าร้องไห้อีกเลยทันโยคีผู้ประเสริฐกรุณาช่วยกระผมด้วยกรุณาทูลขอพระโลกกาตาให้กระผมได้เข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักด้วยท่านมหาสยะ ยังคงนั่งนิ่งเงียบการเป็นตัวกลางในเรื่องอันพ้นวิสัยมนุษย์ปุถุชนเช่นนี้มิใช่จะรับปากกันได้ง่ายๆแต่มุกุลท้าเชื่อมัน่นว่าท่านอาจารย์มหาสยะกำลังสนทนาอยู่กับพระโลกะมาตาเอาเถิดฉันจะนำคำวิงวอนของเธอไปทูลต่อพระแม่เอง ท่นยิ้มน้อยๆอย่างเมตตาท่านรับปากแล้วนะขอรับแล้วกระผมจะรีบกลับมาฟังข่าวขเาขาประจาคาดคันเสียงใสทั้งๆ ท, ท, ที่เมื่อครู่ยังร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเศร้าเสียใจอยู่แท้ๆขณะก้าวลงบันไดา ย, ยาวความทรงจําเก่าๆ ก, ก, ก็หลั่งไหลกลับคืนมาอาสมของท่านอาจารย์มหาสยะในปัจจุบัน คือบ้านเลขที่50บนถนนอมเฮิร์สในเมืองกาลกาตาซึ่งเคยเป็นบ้านพักของครอบครัวเราในอดีตแม่เสียชีวิตลงในบ้านหลังนี้บ้านหลังที่หัวใจซึ่งมีเลือดมีเนื้อเยี่ยงมนุษย์กุตุชนของข้าพเจ้าแหลกสลายเพราะการจากไปของแม่และในวันนี้ก็ที่นี่อีกเช่นกันที่จิตวิญญาณของข้าพเจ้าติดตรึงอยู่กับความรวดร้าวเพราะไม่อาจพบกับพระแม่ได้ ผนังกำแพงศักดิ์สิทธิ์เอย๋ยเจ้าคือพยานเงียบที่รับรู้ในความเจ็บปวดระทมทุกข์และการได้รับการเยียวยาในที่สุดของข้า มูกุนท้าเร่งฝีเท้ากลับบ้านตรงดิ่งไปยังห้องเล็กใต้หลังคาแล้วก็ปรีกวิเวกนั่งทำสมาธิอยู่จนถึงสี่ทุ่มทันใดนั้นก็ปรากฏนิมิตอันงามประยับจับตาสว่างวา่าบพระโลกกาตาประทับยืนอยู่เบื้องหน้าในท้ำกลางรัสมีอันเรืองรองพระพักพร้อมรอยแย้มพระสวนอ่อนโยน ส่งไว้ซึ่งความงามอันพิสุทธิ์ล้ำแม่รักเจ้าเสมอและจะรักเจ้าตลอดไปตรัสจบก็ส่งหายวับไปแต่เสียงนั้นยังดังก้อง ก, องกังวานอยู่ในอากาศเช้าวันรุ่งขึ้นมุกุลท้าตรงไปกราบคารวะอาจารย์มหัสยะเป็นครั้งที่สองไปตั้งแต่ตะวันยังไม่ทันจะโผล่พ้นขอบฟ้าดี ข้าพเจ้าเดินขึ้นบันไดตรงไปยังห้องพักของท่านบนชั้นสี่เห็นประตูที่ปิดอยู่มีผ้าพันลูกบิดเอาไว้ข้าพเจ้าก็คิดเอาว่านั่นคงเป็นการบอกใบ้ว่าท่านต้องการความเป็นส่วนตัวขณะที่ยืนลังเลอยู่ที่ชานบันไดท่านก็เปิดประตูออกมาข้าพเจ้าคุกเข่าลงแทบเท้าท่านในใจนึกสนุกจึงแส้ตีหน้าครึมซ่อนความลิงโลดยินดี จากนิมิต ท, ที่ได้รับเอาไว้อย่างมิชชิดคือทําเป็นไม่บอกว่าเจอเจออะไรมาบ้างในนิมิตกระผมยอมรับว่ามาช้าเกินไปเพื่อถามข่าวถามข่าวพระแม่ว่าพระแม่ทรงตรัสถึงกระผมว่าอย่างไรบ้างขอรับเหมือนกับลองของนะคะปรากฏว่าท่านมหัสยะกล่าวว่า ท่านองค์น้อยจอมซนท่านว่าแค่นี้แล้วก็ไม่เอ่ยอะไรอีกทำไมจะต้องลึกลับลบลบเลี่ยงเลี่ยงด้วยผู้เป็นโยคีแท้ต้องไม่พูดจาเรียบง่ายตรงไปตรงมากระนั้นหรือเธอต้องทดสอบฉันให้ได้หรืออย่างไร หรื อ, อยังจะต้องให้ฉันยำ้ำถึงถ้อยดํารัดที่พระโลกกมามตาผู้ยิ่งด้วยสิริโฉมทรงประทานแก่เธอเมื่อคืนนี้ตอนสี่ทุ่มให้เธอฟังซ้ำในเช้าวันนี้อีกคือท่านรู้เป๊ะเลยแม้กระทั่งเวลามูกุนทะสุดกายลงคารวะแทบเท้าท่านอีกครั้งน้ำตาเอ่อครอด้วยความปิติสุขเธอคิดหรือว่า พระผู้ทรงความเมตตาจะไม่ทรงรับรู้ถึงความพักดีของเธอพระเป็นเจ้าในภาคของมานดาผู้การุณที่เธอกราบไหว้บูชาทั้งในร่างของมนุษย์และในร่างของเทพเบื้องบนมีหรือจะทรงนิ่งเฉยไม่ตอบรับต่อเสียงเพียกหาของเธอ ฉันไม่ใช่ครูรุของเธอผ่านไปอีกซักระยะท่านจะมาพบกับเธอเองและด้วยการอบรมสั่งสอนของท่านความรักและภักดีที่เธอมีต่อพระเป็นเจ้าเสมอมาจะได้รับการพัฒนาให้เป็นดวงปัญญาอันลึกล้ำดั่งห้วงมหันตนก นี่คือท่านอาจารย์มหัสยะท่านใช้อาสมบนถนนแอมเฮิร์สเปิดเป็นโรงเรียนมัธยมเล็กๆสำหรับเด็กผู้ชายท่านเป็นครูที่ไม่เคยดุด่าใครเลยท่านไม่เคยตรากดข้อบังคับหรือนาการลงโทษมาใช้ในการปลูกฝังระเบียบวินยัย ห้องเรียนแม้ว่าจะธรรมดาแต่ก็มีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับสูงและก็มีการสอนวิชาเคมีแห่งความรักที่ไม่มีปรากฏอยู่ในตำราลเล่มใดทั้งสิ้น mm hmm. พอตกบ่ายแก่แกหูกุลทะจะต้องไปที่ถนนแอมเฮิร์สทุกวัน เพื s s ่อดื่มดำอมริตธรรมจากท่านมหาสยะท่านนี้เขาไม่เคยค้อมศีสะคารวะผู้ใดด้วยความเคารพนับถือจนหมดหัวใจได้เช่นนี้มาก่อนเย็นวันหนึ่งเขามาถึงอาสมของท่านพร้อมด้วยมาลัยดอกไม้ในมือ แล้วก็จะถวายมาลัยให้กับท่านทานายกียขอรับขอได้โปรดกรุณาสวมมาลัยดอกจำปาที่กระผมตั้งใจร้อยมาเพื่อท่านโดยเฉพาะด้วยเถิดขอรับแต่ท่านกลับขยับออกห่างอย่างเก้อเขินปาก็พร่ำปฏิเสธไม่ยอมรับเกียรติที่ข้าพเจ้ามอบให้ไม่ได้หยุดจนข้าพเจ้าออกจะเสียใจพอเห็นว่ามุกุลทะเสียใจ ท่านจึงได้ยิ้มรับในท้ายที่สุดคือในที่สุดก็รับเอาเถิดเราทั้งคู่ต่างเป็นสาวกผู้พักดีต่อพระแม่เธอจะครองมาลายให้กับร่างอันเปรียบเสมือนเทวไลนี้ก็ย่อมได้เพราะเท่ากับเธอถวายสักการะแด่พระแม่ผู้สถิตอยู่ภายในนั่นเองพรุ่งนี้ เราไปยืนเทวไลพระแม่กาลีที่ตำบลทักคีเนสวนกันเถอะครุของฉันเคารพ บ, บูชาเทวัลแห่งนี้เสมอมาครุของท่านมหาสยะคือท่านศรีรามกฤษณะประมะหังสาช้าวันรุ่งขึ้นมุกุลทะกับท่านมหาสยะก็ลงเรือล่องแม่น้ำคงคาเป็นระยะทางสี่ไม่ เข้าไปในเทวัลพระแม่กาลีซึ่งสร้างเป็นปรางก้าวยอดภายในปฏิสถานเทวรูปพระโลกมาตากับพระศิวะประทับอยู่กลางดอกบัวเงินพันกรีบที่ขัดขึ้นเงาจนวาววับท่านอาจารย์มหัสยะยิ้มด้วยความปลื้มปิติตั้งอกตั้งใจถวายความพักดีแด่พระแม่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยระหว่างที่ท่านสวดสรรเสริญพระนามของพระแม่ หัวใจอันสุขล้นของมุกุลทะก็เหมือนจะแตกพริดออกเป็นพันเสียงดุดบัวพันกรีระนั้นหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินเที่ยวจนทั่วบริเวณเทวัลและมาหยุดพักที่ดงต้นธารมาริสน้ำหวานของไม้พันนี้ที่ซึมออกมาเป็นสัญลักษณ์ของอาหารทิพที่ท่านอาจารย์มหาสยะได้เผื่อแผ่เจือจานออกไป ยังคงสวดภาวนาส่วนมุกุลทะก็นั่งนิ่งไม่ติงกาอยู่บนผืนหญ้าท่ามกลางดอกไม้สีชมพูที่เบาฟูดุดขนนกชั่วขณะจิตนั้นจิตของมุกุลทะก็หลุดลอยออกจากร่างและลิ้วขึ้นไปอย่างเบื้องบน นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้ามาสแสวงบุญยังทักษิเนสวนกับครูบาอาจารย์ท่านนี้และยังจะมีตามมาอีกหลายครั้งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงความอ่อนหวานของพระเป็นเจ้าในภาคของมารดาหรือพระโลกะมาตาผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตาท่านอาจารย์มหัศยะมีจริตค้อนไปในทางเป็นเด็ก จึงไม่นิยมพระเป็นเจ้าในภาคของบีดาหรือพระผู้ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมนักเพราะความเที่ยงธรรมอันถูกต้องเคร่งครัดและเข้มงวดไม่ต้องกับอุปนิสัยอันอ่อนโยนของท่านนั่นเองเย็นวันหนึ่งอาจารย์มาหาเสะยะ ก็จูงมือมุกุลทะเดินไปตามช่วงตึกอันเป็นที่ตั้งโรงเรียนของท่านตอนนั้นบังเอิญว่าไปเจอคนรู้จักที่เย่อหยิ่งอวดดีเขาคนหนึ่งชายผู้นั้นก็ชวนมุกุลทะกับท่านมหาสยะคุยยืดเยื้อไม่ยอมหยุดคือคุยไม่หยุด มูกุลทานั้นไม่อยากจะคุยแล้วก็รู้สึกรำคาญท่านอาจารย์มหัสยะกระซิบกับเขาด้วยท้อยคำเบาๆว่าฉันรู้แล้วว่าเธอรำคาญชายคนนี้ฉันทูลพระแม่เรื่องนี้แล้วพระองค์ทรงรับรู้ถึงภาวะกรืนไม่เข้าคายไม่ออกอันน่าเศร้าของเราทันทีที่เราเดินไปถึงบ้านสีแดงหลังโนนทรงสัญญาว่า จะบันดาลให้เขานึกถึงธุระที่ต้องไปทำอย่างรีบด่วนขึ้นมาได้ทันทีที่เดินมาถึงประตูสีแดงหน้าบ้านชายคนนี้ก็หันบรีหันขวางแล้วก็พระจากไปโดยที่ยังพูดไม่ทันจบประโยคและไม่กล่าวคำอำลาแม้แต่คำเดียวบรรยากาศที่เสียไปจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งอยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่มุกุลทะเดินอยู่คนเดียวแถวแถวสถานีรถไฟฮาวาราแล้วมาหยุดยืนอยู่ข้างๆเทวรัยแห่งหนึ่งตอนนั้นเขานึกตำหนิคนกลุ่มเล็กๆที่กำลังตีกรองตีฉาบสวดสรรเสริญพระนามพระเป็นเจ้าด้วยเสียงที่อึ ก, กะทึกครึกโครมเขานึกในใจว่าคนเหล่านี้ช่างไม่รู้ความควรไม่ควรเสียจริงๆ นำพระนามพระเป็นเจ้ามาตะโกนโบกเวกซ้ำซากได้อย่างไรกันแต่แล้วเขาก็ต้องประหลาดใจที่จูจ่ๆก็ได้เห็นท่านอาจารย์มหาสยะเดินตรงมาหาอย่างเร่งรีบท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรขอรับท่านอาจารย์ไม่ตอบสิ่งที่มุกุลทะถามแต่ไปตอบสิ่งที่เขาคิดท่านองค์น้อยพระนามพระเป็นเจ้านั้น ไม่ว่าจะเรียกขานจากปากของผู้ใดจะคนเขาหรือมากด้วยปัญญาก็ล้วนไพเราะไม่แตกต่างกันมิใช่หรือว่าแล้วท่านก็โอบกอดมุกุลทะด้วยความเมตตารักใคร่ทำให้เขารู้สึกตัวเบาเรากับมีพรมวิเศษพาลอยขึ้นไปเฝ้าพระเป็นเจ้าได้กระนั้น อยากดูหนังไบโอสโคปไหมท่านมหัศยะถามขึ้นมาเดบายวันหนึ่งมูกุนทะรู้สึกแปลกใจเพราะว่าปกติแล้วท่านมหัศยะเป็นคนที่รักความสันโดดคำว่าไบโอสโคปในอินเดียยุคนั้นหมายถึงภาพยนตร์เคลื่อนไหวแต่เขาก็ตอบตกลงเพราะว่าชอบไปไหนมาไหนกับท่านเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทั้งคู่ เดินไปที่สวนหน้ามหาวิทยาลัยกาลากาตาอย่างกระฉับกระเฉงเมื่อไปถึงท่านอาจารย์มหาศยะก็ชี้ไปที่มานั่งใกล้ๆกับสระน้ำแล้วก็ชวนให้นั่งพักกันที่นี่สักครู่เรานั่งพักกันที่นี่สักครู่เถอะอาจารย์ของฉันบอกให้ทำสมาธิทุกครั้งที่เห็นท้องน้ำอันกว้างใหญ่ความเงียบสงบของที่นี่ เตืให้เรานึกถึงความสงบนิ่งอันประมาณไม่ได้ของพระเป็นเจ้าผิวน้ําสามารถสะท้อนเงาของสรรพสิ่งได้ฉันใดจิตแห่งพระเป็นเจ้าก็ย่อมสะท้อนภาพของจักรวาลทั้งหมดได้ฉันนั้นครุเทวะของฉันมักจะบอกอย่างนี้เสมอหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็เข้าไปยังห้องประชุมของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งกำลังมีการบรรยายอยู่เป็นการบรรยายที่น่าเบือ่อแม้ว่าจะมีการฉายสไลด์สลับกันเป็นระยะมูกุ้นทะนึกในใจว่าว่านี่เหรอหนังที่ท่านอยากให้เรามาดูเขาคิดในใจแต่ไม่แสดงออกทางสีหน้าเพราะไม่อยากให้ท่านโยคียเสียน้ำใจ แต่ท่านมหาสยะกลับเอ็นตัวมากระซิบกระซาบว่าฉันรู้แล้วท่านองค์น้อยว่าเธอไม่ชอบหนังแบบนี้ฉันทูลพระโลกกับมาตาแล้วท่านทรงเห็นใจเราทั้งสองมากทรงบอกกับฉันว่าจะทำให้ไฟดับเดี๋ยวนี้และจะไม่ให้ติดขึ้นมาอีกจนกว่าเราจะออกจากห้องไปแล้วมาติดตามตอนต่อไปตอนหน้านะคะว่า ไฟจะดับอย่างที่ท่านมหัสยะพูดไว้หรือไม่ติดตามต่อต่อไปของชีวิตโยคีจากหนังสืออัตตะชีวประวัติของโยคีเขียนโดยท่านปรมหังษายโยคานันทะโยคีชื่อดังของอินเดียค่ะ s <S วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไม้กับการเรียนรู้อย่างสนุกสนานกับการติดตามชีวิตโยคีแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าตอนที่8สวัสดีค่ะ s h o u t out หัใหม่ห้องสมุดที่ฟังได้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนิน